ท่านพระนุรัติสั่งท่านพระนนท์ว่าไปเถิดท่านนนท์ท่านจงไปเมืองกุศินาระบอกข่าวแก่พวกมัละกษัตริย์ว่าดูก่อนว่าสิทธะทั้งหลายพระพุทธเจ้าประนิพานแล้วขอพวกท่านจงทราบการนั้นควรในบัดนี้เถิดท่านพระนนท์รับคำท่านพระนุรัติแล้วเวลาเช้าก็นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปเมืองกุศินาระต่อไปดูภาคอัตกถาอัตกถาใช้ท่านว่าอั ป, ปมาเทนสัมปาเทถะที่พระพุทธเจ้าตรัส เป็นปัดฉิมวาจาวะจงยางกิจทั้งปวงให้สําเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติก็แปลว่าพระผู้มีพระภาพทรงบรญฑมที่เตียงปฏิญิพานประทานโอวาทประทานมาใ น, นสี่สิบห้าพรรษารวมลงในความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้นอันนั้นเป็นปัดฉิมมวาจานะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอปมาเทนะสัมปาเทถาบอกท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทได้ถึงพอ่อก็แปลว่าจงยางกิจทั้งปวง ให้สำเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติเออถ้าบอกว่าแล้วว่าโดยกิจโ ด, ดยทั่วๆไปนเนี่ยนะเช่นเราทำกิจทั้งหลายเนี่ยพระ อ, องค์ตอนบอกว่าเอออย่าให้สติคืออย่าอยู่ปราศจากสติไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเง ย, จ ะ, เงยจะกระพริบตาอ้าปากนี่นะหรือว่าจะทำกิจใดๆต่างๆก็แล้วแต่นั้นต้องเป็นไปกับสติ ถ้าใครสามารถเป็นไปได้กับสติปัฏฐานได้เก่งมากนะนี่หมายความว่าท่านสอนภิกษุเนี่ยบอกว่าจะทํากิจใดๆก็แล้วแต่นั้นเน่ยคืออย่าอยู่โดยปราศจากสติคําสอนของพระพุทธเจ้า น, นั้นรวมลงในความไม่ประมาทไม่ประมาทในที่นั้นเป็นการเป็นชื่อของการเจริญสตินะก็คือการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานถ้ากายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือสติที่เป็นไปในกายเนี่ย เป็นไปในกายกายมีอยู่สิบสี่บบเป็นไปในอาณาปะไปเป็นไปในลมหายใจเข้าออกสติเป็นไปในเอียบทใหญ่สี่สติเป็นไปในอียบทดย่อยสติเปิดไปในปฏิกูลมนาสิการบบธาตุมนาสิการบบเป็นต้นแล้วก็สติเป็นไปในป่าช้าทั้งข้าลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติถ้ากลุ่มที่เจริญเวทนานุปัสนาสติปฐานก็คือกลุ่มเวทนาขันก็คือว่า ก็ตามระลึกเวทนาทั้งที่เป็นภายในภายนอกอย่าละเอียดเรวปลาหนี่ไกลและในะกล้นั้นก็อยู่โดยไม่ปราศจากสติถ้ากลุ่มเจริญจิตตานุปัสสน า, าก็คือกลุ่มวิญญาณาขานก็คือเอาสตินั่นแหละว่าจิตคิดอะไรก็ให้มีสติเป็นใบกระจิตนั้นด้วยจิตคิดถึงรูปารมก็ให้มีสติเป็นใบกระรูปารมจิตคิดถึงเสียงก็ให้สติเป็นใบกระเสียงเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติส่วนในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือว่าสติที่เป็นไปในการ พิจารณาขันห้าบ้างนิวรห้าพ่อชงเป็นต้นเหล่านั้นก็คือว่ามีสติกำเ น, นัินเขาเรียกว่าสําเร็จด้วยความไม่ปราศจากสติกิจทั้งปวงเนะี่ยคือยังความไม่ประมาทที่จริงกิจของพระเนี่ยกิจมีเท่าไหร่กิจสิบหกกิจที่บอกกิจในการกําหนดรู้ทุกบอกทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมุทยนะัยเนี่ยเป็นกิจที่ควรละ นิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็มาร์กเป็นกิิที่ควรจเจริญเ น, นี่นะส่วนบทว่าปริณิพุโตพันเตก็แปลว่าอนนท์เห็นพระผู้มีประภาคเนี่ยเข้านิโรธาสมาบัติไม่มีลมอสสาสักสาสักคือกลุ่มคนที่เข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยไม่มีลมหายใจเข้าอไม่มีตั้งแต่จะตุ่นถ้าช้าแล้วก็เลยถามว่าพราะผู้มีประภาคปริณิพานแล้วหรือพระนุรุท ธ, ธาตอบว่ายังผู้มีอายุ ยังอาวุโสกว่ามันพระเถระทราบเรื่องเพราะเข้าสมาบัตนนินั้นๆพร้อมกับพระศาสดาจึงรู้ว่าพระพุทธองค์ออกจากเนวสัญญานาะสัญญายตนาแล้วก็ดําเนินไปบัตเนี้ยเข้านิโรธาสมาบัติชื่อว่ากระทํากาละขณะอยู่ในนิโรธาสมาบัต์นั้นไม่มีเขาบอกว่าในขณะที่เข้านิโรธาสมาบัต์เนี่ยจะไปจะไปเข้าปรินิพานไม่ได้เพราะตอนนั้นน่ะยังอยู่ในสมาบัต ครั้งนั้นและพระผู้มีพระภาคก็ออกจากสัญญาเวทิตานิโรธก็เข้าเนวะสัญญานายตนะคือเข้าอรูปฌานที่สูงสุดออกจากเนวะสัญญานายตนะก็เข้าอากินัญญายตนะออกจากอากินัญญายตนะก็เข้าวิญญานัญจายตนะออกจากวิญญานัญญายตนะก็เข้าอากาสานัญญายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะก็เข้าจตุทัชฌานออกจากจตุทัชฌานก็เข้า ตัิยาชานออกจากตัิยาชานเข้าทุติยาชานออกจากทุตยาชานก็เข้าปฐมชาญฉะนั้นในขณะที่เข้าปฐมชาญก็มีฐานะยี่สิบสี่ก็หมายความมีอะไรเป็นอารมณ์อะไม่ใช่เข้าปฐมชาญมีอารมณ์เดียวนะเข้าปฐมชาญที่มีดินเป็นอารมณ์เข้าปฐมชานที่มีน้ําเป็นอารมณ์เนี่ยเข้าธิราชานอย่างเงี้ยเข้าปฐมชาญมีดินเป็นอารมณ์เข้าปฐมชาญมีน้ําเป็นอารมณ์เข้าปฐมชาญมีไฟเป็นอารมณ์เข้าปฐมชาญมีลมเป็นอารมณ์เข้าปฐมชาญมีสีแดงมีสีขาวมีสีเหลือง เป็นต้นเหล่านี้เป็นอารมณ์เป็นตามลมําดับแล้วก็เข้าปฐมฌานที่มีอสุภะมีศพที่ตายแล้ววันสองวันเป็นต้นเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานที่มีเมตตาเป็นอารมณ์เข้าปฐมฌานที่มีกรุณาเข้าปฐมฌานที่เป็นมุทิตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าปฐมฌานโดยฐานะยี่สิบสี่หรือว่าเข้าปฐมฌานที่มีอานาปนสติเป็นต้นเหล่านี้เป็นอารมณ์เป็นไปตามลําดับแล้วก็เข้าปุถุติฌานก็มีฐานะสิบสาม พอเข้าทุติยาชานเนี่ยอสุภาษิตก็ทิ้งบปกายคตาสติก็ทิ้งไ ป, ก, ก, ก, งไปก็เหลือแต่กสิณติอาณาปันนะแล้วก็เมตตาการุณาแล้วก็มุทิตาก็เป็นฐานาสิบสามเนี่ยนะแล้วก็เข้าตตธิยาชานก็เหมือนกันพอเข้าเจตุทะชานนี่ก็กรรมฐานก็มีมาเอาอรมณกรรมฐานออกเอก็เอาเอามตตากรุณามุทิต า, าไปก็เข้าอุเบกขา แล้วก็เข้าปฐมฌานก็มีพวกอสุภาษิตแล้วก็กายกระตาสติกสินแปดเมตตากรุณามุ้ทิตาอาณาปาน า, ป ร, นาปริเฉทอากาศเป็นต้นแล้วก็เวน้นอาการสามสิบสองอสุภาษิตเข้าทุติยฌานแล้วก็เข้าฌานไปตามลําดับจนลักษณะอย่างนี้พระ อ, องค์เข้าฌานออกฌ า, านทำไมพระพุทธเจ้าคล่องแคล่วในการเข้าฌานเนี่ยลณะคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมอยู่แล้วนะนั่นจะ มันเหมือนอาหารเนี่ยเหมือนคนที่มีเงินเนี่ยจะกินอาหารอะไรก็ได้ซื้ออาหารอะไรมากินก็ได้พราะพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณธรรมมากมายเหลือเกินจะเข้าอยู่ในฌานไหนก็ได้พระผู้มีพระเจ้าเข้าเจตุธาฌานในลําดับเสเด็จออกแล้วก็เสเด็จปรินิพานเนี่ยในลําดับที่สองก็คือในลําดับเหง่งฌานในลําดับเพ่งปัจเวกนนะก็คืออย่างนี้ถ้าจริงถ้าดูในลําดับขององค์ฌานเนี่ยเขาจะเขียนก็นไว้ว่าเวลาเข้าในฌานที่สี่ ก็จะมีว่าผวังผวังกจ็จะอะไรนะผวังกุบะเฉท้แล้วก็มนโนทวารลชนะปริแล้วก็อุปจาระนุลมโคตรภูแล้วก็ฌานก็คือเจตุทะฌานนะอันนี้เป็นกิริยาจิตนะพอเข้าเจตุทะฌานได้ระยะหนึ่งพอออกจากเจตุทะฌานก็ออกพิจารณาปัจเวกปัจเวกขณวิถีลําดับนั้นมีผวางเกิดหนดึ่งถึงสองขณะแล้วจุดติจิตก็เกิดนั้นก็เรียกปริยานิพานจิตกเกิด ตอนนั้นล่ะที่บอกว่าพราะบรมศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานแล้วก็คือออกจากฌานที่สีส่วนคําว่าพระรัตนโตคือผู้เพ่งถึงพรรยาสิบอุ ป, ปาทะวะยธรรมมิโนได้แก่อันมีความเกิดและความดับเป็นสภาวะที่บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อเนี่ยคําว่าไม่เที่ยงนะมีการเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเวลาจะเกิดก็เกิดด้วยาการห้า รูปประคันอย่างเดียวเกิดด้วยการหน้าเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณก็อย่างละห้าก็รวมเป็นยี่สิ้าจะดับก็ต้องเหตุปัจจัยยี่สิบห้าอย่างนี้นนดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับนี่เป็นอย่างนี้นะจานั้นก็บอกว่าอย่างรูปประคันเนี่ยอาวิชาเกิดรูปประคันก็เกิดตัณหาเกิดรูปประคันก็เกิดใช่ไหมอาหารเกิดรูปประคันก็เกิดแล้วก็ อวิกรรมเกิดรูปขันก็เกิดแล้วก็นิพติลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้นคือตั้งแต่เกิดขึ้นครั้งแรกอย่างนี้รูปขันก็เกิดตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นในปัจฉิมวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าหันทธรรมีพิกเวียมัญญามีโวยะธรรมาสังขาราปรมาเดนะสัมฟาเดถะอายังตถาคตตถาปิทิมาวาจาบอกดูก่อนพิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี้เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของตถาคตคือสังขารเนี่ยพอพูดถึงสังขารทั้งหลายน่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยที่จริงมีความเสื่อมไปมีความดับไปมีความคลายไปมีความวิบัติไปอันนี้เป็นธรรมดาของสังขารสังขารเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสังขารประเภทไหนก็แล้วแต่นะมีความเสื่อมไปมีความดับไปคลายไปอย่างนี้ธรรมดา แม้แต่ที่พระพุทธเจ้าจัดแสดงในแสดงมหาสุทัศนะสูตรที่พุทธเจ้าแสดงตรัสบอกเร่อพระอานนที่บอกว่าพระผู้มีภาคเจ้าสมัยเป็นปกครองเมืองกรุงอุสาวดีที่ชื่อว่าพระพระเจ้ามหาสุทัศนะตอนนั้นมีอายุเป็นเป็นกับกับมีอายุอย่างมากมายแต่สังขารเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะบอกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยพร้อมในภาษาวกและบุคคลที่ได้บรรลุ เป็นผาลัยไอบุคคลในยุคก่อนเนี่ยเป็นจำนวนล้านเป็นจํานวนโกรสังขารเหล่านั้นในอดีตแต่ก่อนก็มีแต่บัดนี้สังขารเหล่านั้นก็แตกดับไปหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่เลยแล้วก็ตรัสต่อไปบอกว่าเนี่ยแม้แต่สังขารของตถาคตและสาวกของตถาคตในบัดนี้ก็เหมือนกันในที่สุดจริงๆก็จะต้องมีการเสื่อมไปดับไปแตกทําลายไปเป็นธรรมดาซึ่งในบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ประจับแกความรู้สึกของเราใช่ไหมว่า สังขารของพระพุท ธ, ธเจ้าของพระอานุ์ของพระสารีบุตรของพระโมคคัลลานะของพระมหากัรตเป็นต้นและของพระอาริยาสาวกทั้งหลายเหล่านั้น่ะสังขารเหล่านั้นไม่มีเหลืออยู่เลยแม้แต่สักสังขารเดียวและสังขารเหล่าใดที่จะมีมาในอนาคตข้างหน้าสังขารเหล่านั้นก็จะต้องมีการแตกดับไปเป็นธรรมดานี่มันเป็นอย่างนี้พระพุท ธ, ธเจ้าจึงบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ม, มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเสื่อมแบบนี้ แปลว่าแต่มันมีใช่ไหมมันไม่เคยมีมันก็กลับมามีขึ้นเมื่อมันได้เหตุเปได้ปัจจัยมันก็มีขึ้นแต่ถ้ามันหมดเหตุหมดหมดปัจจัยมันก็จะเสื่อมไปตามการเวลาของมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกจงทําความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมอ่ะก็แปลว่าจงทํากิจทั้งปวงโดยอย่าปราศจากสติให้อยู่โดยปไม่ปราศจากสติให้มีสติเป็นไปกับการทํากิจทั้งปวงนะบอะงั้นอย่ามัวประมาทนะอย่างนี้ คือถ้ามาพิจารณาปัจฉิมโอวาตตรงเนี้เป็นการสรุปคําสอนที่ชัดเจนที่สุดที่รวมลงในความไม่กระมาดถ้าเรามีปัจฉิมวาจาเป็นเครื่องเตือนระลึกเตือนใจอยู่ตลอดเวลานี่นะที่บอกว่าหรืออีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายอจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแม้แต่พระตถาคตผู้เป็นพระบรมศาสดาหาบุคคลเปรียบไม่ได้ยังต้องเสด็จดับขันธประนิพพานอันนี้คือเท้าสามบดีพรม ท้าสหบริพรมก็บอกว่าคำว่าสังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบรมศาสตรสา น, นี่ยพระพุทธเจ้ามีอะไรมีภรรยาคือทศภรรยาสิบมีฐานาฐานุญาณเป็นต้นอะไรเนี่ยแต่สังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อันมีการเกิดและมีความดับเป็นสภาวะส่วนคาว่าเตสังวูปสโมโหนก็แปลว่าการระงับสังขารเหล่านั้นถามว่าการระงับสังขารเหล่านั้นได้อะไรที่จะสามารถระงับสังขารเหล่านั้นได้พระนิพพานไง ฉะนั้นถ้าหากตราบใดยังไม่ปรินิพานนะยังไม่นิพานยังไม่ปรินิพานจากักระงับสังขารไม่ได้เหมือนโรคร้ายเยลยนะโรคร้ายทุกชนิดเนี่ยเช่นไม่ว่าโรคเอดโรคมะเร็งโรคไตโรคตรับโรคอะไร ต, ต่ตตงางๆเหล่าเนี่ยมันระงับไม่ได้ถ้าระ ง, งับไม่ได้ถ้าจะระงับให้ได้จริงๆก็คือว่าตายใช่ไหมนี่เหมือนการสังขารเหล่าเนี้ยมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยอ่ะมันเกิดงอกขึ้นมาเรื่อยตายเกิดตายเกิดตายเกิดอย่างเงี้ย มันสงบระ ง, งับไม่ได้แต่ถ้าตราบใดสังขารเหล่านั้นเข้าถึงนิพพานสังขารเหล่านั้นก็หยุดการงอกขึ้นหยุดการมันก็ระ ง, งับได้อย่างถาวรต่อไปก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายได้เกิดใช่ไหมฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเตสังวูปะสมโมสุขโขท่านได้ยินคํำนี้นะการเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นเป็นศกคําว่าสงบระ ง, งับในที่นั้นไม่ใช่สงบระ ง, งับแบบแต่ทางฆ่าป่าหานนะถ้าแต่ทางฆ่าป่าหาน สงบระงับได้ชั่วครั้งชั่วคราวหรือวิขำพนันะแปลว่าข่มเขาไว้เช่นว่าทุกขเวทนาบางอย่างเนี่ยเราขม่มไว้ได้แค่ชั่วระยะหนึ่งเช่นว่าถ้าไปเกิดเป็นพรมเนี่ยนะเมื่อคืนนี้ก็ดูในสูตรหนึ่งเท้าปากกาพรมเท้าปากกาพรมเนี่ยมีความรู้สึกมีความคิดบอกว่าตนเองเนี่ยสังขารของตอนเองเนี่ยเที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แตกไม่ดับไม่สลายไม่ทําลาย เพราะงั้นเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยเขาแตกดับกันหมดแต่ตนเองเนี่ยมั่นคงไม่แตกไม่ดับแล้วก็สําคัญตนเองว่าเป็นผู้สร้างคือสร้างสิ่งต่างๆสร้างสรงสรพสรังข่ยท้าหมหาพรหมเลยหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าโอ้เนี่ยพรหมนี่เกิดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อันตรธานจากโลกมนุษย์เดินไปอุบัติเกิดขึ้นพอไปถึงก็ท้าหมหาพรหมก็ว่าโอ้น้านักหนานที่ไม่ได้เจอท่านพูนเลยทุก สนทนาไปสนทนามาพุทธเจ้าก็บอกเออท่านมีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมผมก็รับรองว่าตนเองเป็นอย่างนั้นยิงย่งๆไม่ได้คิดอย่างเดียวนะพอพุทธเจ้าก็บอกว่าความคิดอย่างเนี้เป็นความคิดที่ผิดไปๆมาๆก็เลยบอกว่าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยสามารถจะหายไปตรงไหนก็ได้ว่า ง, งั้นนะจะเนรมิตอะไรต่างๆก็ได้พุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองอัด ถ้าตาาคตไม่ให้ท่านหายไปแล้วท่านก็หายไปไม่ได้ท่านบอกอ๋อจะลองดูพระพุทธเจ้าบอกเออทั้งนั้นท่านก็ น, นั่งอยู่ตรงนี้พรหมก็ในรมิตยังไงก็ไม่หายไปโอ้โเ ห, ห, หนื่อยเลยตรเนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เล่าที่สามารถจะหายไปได้พรหมก็ท้าบอกว่าไม่ได้หรอกท่านก็หายไปไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าหายไปได้ยินแต่เสียงในท่สุดจริงยอมแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟัง ว่าท่านเนี่ยจริงๆนะท่านระลึกได้เพียงแค่แค้มประมาณพันจักรวาลแค่นั้นนะไม่ได้แสนโกดจักรวาลใ น, นท่านระลึกได้น่ะในสัตว์โลกในมือในประมาณแสงสว่างของท่านรัศมีของท่านเนี่ยอยู่ประมาณพันจักรวาลเท่านั้นเองในเมื่อพูดถึงจักรวาล น, นี่ในพระพระที่ท่านมาจากมาจากไออเมริกาเมื่อวานก่อนท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านไปรู้จักกับเ อ, อชาวต่างประเทศคนหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมด้วยอะไรคนคนนี้เขาทํางานอยู่ที่องค์ในองค์การนาซ่าของสหรัฐแกก็เลยถามอยู่ไหมถามว่าเออโยมเนี่ยที่องค์การนาซาเนี่ยเขาเชื่อไว้ว่าเชื่อไหมว่ามนุษย์ต่างดาวนี่มีจริงเนีาถามโอ้เขาก็บอกว่าอืมเรื่องนี้พูดไม่ได้เขาบอกว่าเขาเชื่อไม่เชื่อได้ไงเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าสหรัฐไม่ได้กลัวใครเลยนในโลกนี้แต่กลัวมนุษย์ต่างดาวเพรางั้นน่ะกลัวมาก อา้าวเพราะว่าเคยไปถ่ายยานของของเขาได้แล้วก็เคยใช้ยานนะวิ่งตามกันเขาหายวับไปงั้นแต่ก็เขาไวกว่าเรานีหลายสิบเท่าเลยลก็เลยเกิดความกลัวเวลาไปถกเถียงกันแต่อันนี้เป็นความลับก็ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเขาบอกผมพูดได้แค่นี้แต่ผมพูดมากกว่านี้เดี๋ยวผมก็ดูฆ่าตายก็งั้นนั่นนี่แปลกไอ้ที่ก็เลยบอกว่าวันก่อนก็เลยเอาคําสอนมาดูให้ดูเอาแผนภูมิที่ดรลวีพาวิไลส่งมาถวาย ก็เลยี้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสี่ทวีปที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าชมพูทวีปโลกใบเนี่ยส่วนโลกอีกใบหนึ่งคืออุตรากุรุทวีปอีกใบหนึ่งคือปุบพาวิเทหทวีปอีกใบหนึ่งคืออัฟราโคยานาทวีปอันนี้คือทวีปใหญ่หญๆนเนี่ยนะสี่ทวีปเนี่ยมีมนุษย์หมดละแล้วลในอีกสามทวีปที่เหลือนะั้นความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจเจริญรุ่เ ง, งเรอืองกว่าเราเยอะแต่ว่า เขาดีเขาก็ไม่ดีสุดๆเหมือนเราของเราเนี่ยในทวีปในชมบูทวีปดีสุดเป็นพระพุทธเจ้าไดา้านเลวสุดเป็นพระเทวทัศไดา้านงเขาไม่อะของเขาเป็นกลงๆเขาไม่เบียดเบียนกันเขาไม่เบียดนั้นครับไอ้ ก, กรณีที่เขาจะมาเบียดเบียนเราไม่มีนิสารัตไม่ศึกษาพุทธศาสนาเลยกลัวเลยใช่ไหมทามาศึกษาแล้วก็ไม่กลัวเพราะคนที่จะห้า ม, ห, ามหันกันเองเนี่ยไม่ใช่คนทวีปอื่นเนี่นนเนี่ยคนทวีปเนี่ยเพราะถ้าชั่วแล้วชั่วสุดๆถ้าดีก็ดีสุดๆ และในยกต่อไปเนี่ยจะเจอยกที่ต่ําลงเรื่อยๆจะคนชั่วจะมาเกิดเยอะสิ่งแวดล้อมก็จะเริ่มเสียหายมากขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่ามาศึกษาตรงนี้ก็จะไม่มัวไปมัวกังวลในทวีปอื่นใช่ไหมก็จะได้มาจัดการทวีปนี้มีโทษของการไปศึกษาพุทธศาสนาเลยไปกลัวคนทวีปอื่นโขาก็กลัวมากเลยะได้อยู่ที่กรรมคื อ, อการการะทําถ้าไปอยู่ทวีปอื่นบรรลุมไม่ได้บรรลุมไม่ได้ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชั่วเลวจนเกินไปเขาโดยมากเขาอยู่ในสิ่งในธรรมกันเป็นส่วนมากหมายถึงมนุษย์นะพวกทวีปทั้งสามที่กล่าวมางั้นไปเรานี่หลงทวีปกันมาแย่แล้วไม่ต้องพูดเลยที่มาเกิดชมพูทวียบได้เดียบุญแล้วแต่แต่ต้องฝึกหัดจิตใจให้สูงนะนั้นถ้าเขาคิจเรตนาอย่างนี้เห็นจะเห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าฉะนั้นคําบอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยที่บอกไม่เที่ยงเนี่ย อันนี้ชัดเจนนะนะคือมันอยู่ที่ว่าปัจจัยถ้ามีปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไรแล้วมันก็เกิดขึ้นมาถ้าปัจจัยเหล่านั้นดับมันก็ยกตัวอย่างเช่นโลภขันเนี่ยถ้าอาวิชาตันหากรรมอาหารแล้วก็วิปริณำมารักษณะเกิดขึ้นนะมันดับหมดแล้วหรือได้ปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์มันสลายหมดเลยลนะักษณะอย่างนี้ดันั้นมันมันไม่มีเที่ยงจะเที่ยงแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ไม่มี มันมีการเสื่อมไปแตกดับทำลายไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะอันนี้มองในเรื่องของรูปขันอเวทนาสัญญาสังขารไม่ต้องพูดถึงเขาแตกดับรวดเร็วอยู่แล้วอันนั้นเป็นนามธรรมแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายโดยมากก็จะอยู่กันด้วยความมัวเมาด้วยความไม่รู้เท่าทันตรงนี้ฉะนั้นการเข้าไปสงบระ ง, งับอิทธิวเตสังวูปะสมโสุโง uh oh เนี่ยความระ ง, งับสังขารระงับสังขารอะไร ระงับขันห้าขันสี่หรือขันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าที่มันทกกันอยู่เนี่ยเพราะสังขารไม่ระงับเช่นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมนุษย์หรือเทวดาพรหมมารุปภมทั้งหลายสังขารเหล่านี้มันลุกโผงอยู่เลยคือเวลาแตกดับมันก็เกิดใหม่แตกดับมันก็เกิดใหม่นี่มันสงบระงับได้ไม่ถาวรแต่ถ้าหากว่าพระนิพพานนี่อันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นเป็นสุข อนเนโชชื่อว่าอนเนชะเพราะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเคลื่อนไหวสันติมารภะได้แก่ปารพบอาศัยหมายเอาอนุปาทิเสสนิพาถามบอกว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าที่เทวดาบอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาการาระงับสังขารเสียได้เป็นสุขนั่นคือทางแห่งพระนิพพานอันบเบอร์เสร็จอันนั้นหมายความว่าอนุปาทิเสสานิพานอย่างพระพุทธเจ้า พระโมคค า, านาภาษารีบุตรพระมหากรสบพระนนท์เป็นต้นเหล่านี้ท่านปริเนปหาแล้วสังขานของท่านไม่กำเริบประการนั้นเป็นอนุปาทิเสสันท์ผานท่านท่ า, ทานพ้นทุกข์กันหมดแล้วฉะนั้นถ้าจะห่วงภาษาศาสนาหรือห่วงพระพุทธเจ้าหรือห่วงภาษารีบุตรห่วงพระโมคค า, านะใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงท่านเหล่านั้นแล้วแล้วท่านก็ไม่ห่วงเราแล้วแต่ว่าคําสอนนี่แหละบ่งบอกว่าที่ท่านห่วงเราก็คือเจตนาคือคําสอนนี่ เราต้องมาอ่านในคําสอนเราจะรู้ว่าท่านคิดกับเราอย่างไรแ ต, ททนะออรตท่ท่านไม่เป็นทุกข์นะว่าเออถ้าเราจะตกนรกท่านก็ไม่ไมท่านไม่เป็นทุกข์เราจะขึ้นสวรรค์ท่านก็ไม่ได้ดีใจยังบอกว่าเออถ้าเจตนาท่านต้องการให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นถ้ามันไม่หลุดพ้นมันก็กลับมาเดือดร้อนกันอย่างนี้เนี่ยมันก็กลับมาทํางานกัน เดี๋ยวก็จะต้องกลับบ้านเนี๋วยวก็ต้องอาบน้ําต้องก็ต้องดูแลต้องอะไรเนี่ยถ้าไม่พ้นทุกข์มันก็มากันอยู่อย่างเนี้ถ้ามันยังสบายดีกันอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เอาก็ลองลุยกันต่อไปใช่ไหมแต่ยังคิดหนะึแต่ถามว่าคิดไปคิดมาแล้วจนไปไม่รอดนะเข้านะเข้าไว้ไม่รอดคิดไปคิดมาเออจริงจริ ง, รงอย่างที่พระเจ้าว่าคื อ, อมันเดือดร้อนหนีิเพราะว่าในที่สุดจริงๆเดี๋ยวก็หมดสะพาวแล้วก็เดี๋ยวไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องมาทําใหม่กันอีกมันไม่ใช่ต่อใช่ไหม อนับหนึ่งไปจนถึงแปดสิบแล้วเนี่ยพอตายปุ๊บแล้วก็มาแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองที่ไห น, นเอาไปเริ่มหนึ่งใหม่โอยนั่นหนึ่งใหม่ไม่เริ่มหนึ่งใหม่มมห น, หมนะเนี่ยที่ทําำไว้ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมทํานาทําสวนทําไร่ <c oughs> ทําอะไรต่างๆไว้เตะเตรียมบ้านเตรียมช่องเตรียมไรเบ็ดเสร็จเนี่ยว่าจะได้เป็นที่อยู่บอกว่าเหรือตายแล้วจะมาต่อต้นทุนเราใหม่เราจะมาเกิดที่ตรงนี้แหละ แล้วทุกคนห้ามนะเราทําพินัยกรรมก็ไว้เสร็เส็จนี่เราจะมากล้าใหม่ได้ไหมลนะ่ะกฎหมายไม่ให้เราเราเขาโดนยึดหมดใช่ไหมอย่าว่ามันมีอย่างไรนึ่งนะที่เขาบอกว่าที่อยู่ที่อุบลนะที่บอกว่าเป็นคนหวงมากต่อมาก็ตายอันนี้ตอนนี้บวชีนะยอมกูเนี้ยแปะไปเยอะแปะจ็แปดสิบแล้วก็ตายทายที่นี้ก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งเออมีคนคนนึ่งเขาว่าไปทําบุญ มีอยู่วันหนึ่งเด็กเนี่ยละลั่นกันเลเด็กไปทําบุญพอกลับมาก็เห็นอะไรตัวสูงๆเด็กถือไม้คานมาด้วยมันก็ไม่กลัวเลยเดินเดินเข้ามาใกล้ก็หายไปก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่เลยอย่าพูดไปอย่างเป็นเปริดเนี่ยก็เลยบอกว่าเคยอุทาศเคยอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่หายก็มายืนอยู่ตรงบ้านนึงนี่ก็เลยให้เด็กคนนี้ไปทําบุญแล้วก็ให้อธิษฐานเด็กก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ภาพนั้นก็หายไปอยู่ต่อมามีคนอีกบ้านหนึ่ง ตั้งคองก็เจริญวัยออกมาก็ว่าเป็นเด็กผู้หญิงพอโตขึ้นมาเนี่ยมันพูดทุกหนึ่งหมดเลยพอกําลังพูดได้นี่นะมันบอกว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีลูกชื่อ น, นั้นชื่อ น, นี้บ อ, บอกเลยเนี่ยเขาพาไปจริงมันก็เล่าให้ฟังเลยมันบองไปเกิดเป็นเปรตตายแล้วเนี่ยมันคนรักผ้าไหมมากยอมคนเนี้ยรักผ้าไหมเก็บผ้าไหมไว้อย่างเยอะเลยอผ้าไหมไว้อย่างเยอะเลย แล้วก็สมบัติอะไรต่างๆพวกยืนร้องไห้อยู่นะก็เอาผ้าไหมไปคนเอาไปขายบ้างอะไรบ้างไหมพวกลูกหลานแบ่งสมบัติกันนะยืนร้องไห้ยืนร้องไห้โอ้โหเขาบอกร้องร้องก็ไม่มีใครได้ยินก็ว่างั้นร้องอยู่นั่นแหละร้องอยู่นั่นนี่ก็อาศัยว่าเด็กตัวเนี้อุทิศส่วนกุศลให้ก็ตายตายมายเกิดพอมาเกิดเบีดเสร็จแล้วลึกได้เขามาที่เขามาเนี่ยเขาบอกเขามาเขาก็เล่า เขาก็าเออจริงเราได้ถูกหมดเขาบอกเขามาจะมาของเขาอ่ะเอาผ้าไหมได้ผ้าไหมไปอยู่สามผืนตรงนั้นเขาขายแล้วที่เหลือนั้นก็ไม่ให้นะบ้านเขาก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ทัพถ์สนเงินทองเขาก็ไม่ให้ให้ผ้าสามผืนกอดผ้าร้องไห้เด็กคนเนี้พอโตขึ้นมาก็ก็ก็บวชเดี๋ยวนี้บวชชีเห็นไหมว่ากฎหมายก็ไม่ให้ ต้องไปขอเขาด้วย น, น, นะสามผืนโอ้โต้องไปต้องอ้างเรองเยอะแยะก็จำคนได้คนนี้เป็นลูกเป็นายแกหมดแล้วลูกแกผมงอขาหมดแลด้วตัเองยังเป็นเด็กไอ้นา น, นๆจะเจอดีส้ลักษณะแบบนี้มันมันก็น่าช้ำใจเหมือนกันนะเนะีนะ่ยทำมาแทบตายพวกโอ้โหพวกมาถลุงใช้อยู่นีไม่ตอนเราอยู่นี่เราจะใช้แต่ละทีเราแต่งจะไปพมาหัวใ้กันอย่างพุ่มเผย ลูกหลานไม่ค่อยนึกถึงปู่ย่าตายายเป็น <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ก็เป็นลักษณะอย่างนั้ฉะนั้นมันมันนับหนึ่งไม่ได้พอเปลี่ยนพบชาติแล้วก็ก็ถ้าอย่างนั้นมันก็อ้างกันใหญ่ใช่ไหมเนี่ยพระเพืก็จะอ้างรู้เป็นจริงก็้ไม่จริงตรงนี้อ้างกันวุ่นกันหมดอี้ฉะนั้นก็มันก็มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นสมบัติผัดกันชมคือตอนที่เรามีอยู่เราก็ไม่คิดว่าเราจะจากมันเร็วงันดี แล้วก็มันไม่ค่อยกล้าคิดเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างเช่นยอมพิษกลับไปที่บ้านเนี่ยเออนี่ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากแล้วอะไรคิดมเมนทุกวันแบบนี้ก็ไม่ค่อยกล้าคิดทุกวันหรอกเพราะจะไปคิดทุกๆวันกันมาเป็นนั่งเป็นทุกข์อีกมันยาวก็ไม่ค่อยเกิดดิเอาอย่างยอมบงคนก็บอกพินเขาแก่เท่าทําอะไรไม่ไหวแล้วก็นอนนอนดูอะไรก็บอกไม่เดี๋ยวเราอันนี้ก็เราทําไว้อันนั้นก็เราทําไว้นี่ก็เราทําไว้มองเห็นเราทําไว้หมดเลย แล้วก็โอ้เดี๋ยวเราต้องจากกันแล้วเนี่ยใจไม่ค่อยดีอะไรอธิษฐานะขออย่ายให้ตายเร็วเลยให้อยู่นานๆเก็ อ, อธิษฐานกะันเองมันไม่ไหวถึงอธิษฐานยังไงมันก็ไม่อยู่สังขารมันเป็นอย่างบทว่าวิโมกโขแปลว่าหลุดพ้นไม่ติดข้องด้วยทำอะไรอะไรถึงความไม่มีบัญญัติโดยประการทั้งบุญเป็นเช่นเดียวกับความดับของไฟที่พรงแล้วก็หมายความว่าพระผู้มีพรภาคเจ้าเนี่ยที่บอกว่า ระงับสังขารทั้งปวงเนี่ยนะคําว่าปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรดีเหมือนไฟที่ดับไฟที่ลุกโพลงแล้วดับถ้าถามว่าไฟนะี่ยไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีแล้วมันไม่มีเชื้อไฟนั้นมันหมดเชื้อมันเลยไม่ลุกนะมันหมดไส้มันหมดน้ํามันมันไม่มีตะเกียงแล้วเขาเรียกมันหมดเหตุปัจจัยเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วไฟมันก็ดับสังขาร น, นี่ก็เหมือนกัน เหตุปัจจัยของสังขารคืออวิชชาคือตัณหาคือกรรมเป็นต้นฉะนั้นอวิชชาตัณหากรรมเนี่ยนีเป็นเหตุปัจจัยของสังขารเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้มันดับแบบถาวรก็เรียบร้อยสังขารเหล่านั้นก็ไม่ผุดเกิดอีกไหมกรรมที่เราทําไว้ที่จะเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายมันหมดแล้วเพราะมันไม่มีสังขารไหนที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็แปลว่ามันดับโดยถาวรลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปริทิปานเข้าถึงเหตุอันประเสริฐทั้งปวง อย่างนี้เขาเรียกเข้าถึงเหตุอันประเสริฐเสวนอวีตราคาได้แก่ปุุชนพระโสดาบันพระสกาทาคามีเพราะทั้งสามนี้ยังละโทมนัสไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงประคองแขนทั้งสองข้ามควรแล้วก็ร้องไห้อัจชายันติเทวดายกโทษกล่าวว่าพร ะ, พระผู้มีพระภาคทั้งหลายไม่อาจจะอดกลัน้นแม้ด้วยตนเองได้จะปอบยนชนอื่นได้อย่างไรคือพรพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาเทวดากล่าว ตอนนั้นเนี่ยพระก็ร้องไห้พระที่เป็นพระที่เป็นพระโสดาบันร้องไห้พระที่เป็นพระสก่ทามีก็ขามีก็ร้องไห้เทวดาก็เลยพูดว่าพระคุณเจ้าเพราะงั้นนะพระเทวดาบอกเทวดาก็ตะโกนบอกท่านทั้งหลายไม่อาจจะโอดกลั้นแม้ตนเองได้แล้วท่านจะไปปลอบโยนคนอื่นได้ยังไงคือคนร้องกันละงมหมดคนเป็นเรือนร้านเนี่ยนะร้องกันละงมเนี่ยพระก็ร้องเนี่ยไม่รเราไปอยู่ตรงนั้นบางมั้ฉะนั้นพระก็ร้อง ะก็บอกถ้าท่านร้องอย่างนี้อะไรจะไปไปปอบโยนคอื่นได้ยังไงเมื่อราตีที่ยังเหลือระยะเวลาเล็กน้อยเพราะปรินิพานในเวลาใกล้รุ่งเนี่ยนะทำมิยากถายะก็ไม่มีทำมีกถาที่จะแยกออกไปจากที่ยังอื่นพระเทราทั้งสองยังเวลาให้ล่วงไปได้ทำมีกาถาก็คือท่านทั้งสองกล่าวเรื่องอะไรกล่าวในเรื่องของโมล า, านุสติกกล่าวในเรื่องความตายอะ่ะว่าเป็นความทแทงแท้แน่นอนนะ ผู้มีอายุทั้งหลายพยามาจุราชนี้ไม่ละอายต่อพระบรมศาสดาแม้ไม่มีบุคคลเปรียบได้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็บอกว่า อ, อบอกว่าพยามาจุราชพยามาจุราชหมายถึงความตายเนี่ยขนาดพระบรมศาสดานี่นะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หาคนเปรียบไม่ได้เลยไม่ว่าในมนุษย์เทวดาหรือในพรหมเนี่ยแต่พยามาจุราชยังมีละเลยไม่ละอายใจเลยว่างั้นนะขนาดสังขารของพระเจ้าขนาดนี้ยังมากระชากไปในลักษณะอย่างเนี้ย จะป่วยกล่าวไปหยหญ่กับสังขารของท่านทั้งหลายแล้วฉะนั้นสังขารของพระโสดาบันพระสะกาาทาคามีบ้านนาคามีสังขารของบุรุษชนสังขารของบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีการตั้งไม่เที่ยงเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเป็นต้นเหล่านี้ก็กล่าวไปแล้วขนาอย่างเนี้นะฉะนั้นในโลกิยะมหาชนทั้งหลาย <c oughs> ก็ฟังทำมีกระถาจากพระอรหันต์จากพันป้านนลเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็จะกล่าวคําสอนี้อย่างพานนลเนี่ยกล่าวไปร้องไห้ไปอยู่ดีมันเป็นอย่างได้นนะ สมัยนั้นนะนะพวกเจ้ามาลัลลาเมืองกรุงกุศิในลาประชุมกันที่สันถาคามขอท่านทั้งหลายจงสําคัญการนั้นควรเถิดบัดนี้เจ้ามาลัลลาพระโอรสพระอนนก็เข้าไปแจ้งข่าวว่าพวกลงม า, าศาสดาบริณิพานแล้วบรรดาเจ้ามาลัลลาพระโอรสสุนิสาประชาวดีได้สดับคําของท่านพระอนนแล้วเนี่ยเป็นทุกเสียประทศไทยเปลี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจบางพวกก็สยายเกษาประคองหักทั้งสองขลำควรลม้มกลิ้งเกลือนไปมาเนี่ยนะ ก็ข้าครวญว่าพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธบดีนิพพานแล้วเนี่ยครั้งนั้นเจ้ามาลลรับสั่งกับพวกบุรุษว่าพวกท่านจงเตรียมของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีทุกชนิดในเมืองกุสินราให้พร้อมเจ้ามาลลต่างถือเอาของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีเหล่านั้นพร้อมทั้งผ้าห้าร้อยคู่เสด็จไปยังสารวันเสด็จเข้าไปถึงพระสลีละของพระผู้มีพระภาค ทำสการสการละเคารพ บ, บูชาศรีระของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วก็ทําการฟ้อนลําขับร้องประโคมของหอมเมื่อมีการฟ้อนล้ำด้วยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าลําถวายนะลําถวายไม่ใช่ลําแบบดี อ, อกดีใจนะลําถวายแล้วก็คาดเพดานด้วยผ้าตกแต่งลงบนดบยังวันนั้นให้ล่วงไปด้วยประกาศอย่างนี้ พวกเจ้ามาล leisure, 7. 7. ัลละได้ well. foul. ทําการบูชาด้วยการฟ้อนราขับร้องประคมของหอมดอกไม้เป็นเวลาเจ็ดวันก็แปลว่าดำริจักอัญเชิญพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปทางทิศทักษิณทักษิณนี่ทิศไหนอทิศใต้แห่งบระนครเชิญไปภายนอกพระนครถวายพระเพลิงทางทิศทักษิณแห่งบรานครนั้นสมัยนั้นมัลละปาโมกมัลละปาโมกแปดคนนะนะ มลลาปามก่แปดคนสงสาร ก, ก้าวแล้วก็นุ่งห่มผ้าใหม่ดำดิว่าเราจากยกพระสรีร่าของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะยกขึ้นได้พวกเจ้ามลลากุสินาราได้ถามท่านพระนุรุธทธว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอ่ะคือมลลาปามกนนูกคนมีกาลังะนะแปดคนเนี่ยไม่อาจจะยกพระรีระของพระบรมศาสดาขึ้นได้ ท่านรุทธธะก็กล่าวว่าพวกท่านมีความประสงค์อย่างหนึ่งแต่พวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งเจ้าบุรณก็ถามว่าเทวดามีความประสงค์เช่นไรคือว่าความประสงค์ของมนุษย์กับเทวดาขัดกันเมื่อขัดกันก็ยกไม่ขึ้นเออเรื่องการยกไม่ขึ้นเนี่ยสมัยก่อนนีพพานเถระพร ะ, ะองค์เก่งจริงนะเออที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะท่านเก่งมีพระเถระท่านบรรณภาพไปแล้วอันนี้ก็มาเล่าเป็นเป็นข้อคิดก็เป็นเรื่องแปลก อาจจะเป็นเพราคนหิวข้าวกันหรือเปล่าคือเขายกบ้านกันอืจะยกกุฏิกุฏิมีสามหลังก็คนจะเป็นเกิดเป็นร้อยก็กุดหลุมแล้วก็ยกย้ายจากที่นี่ไปยกไปได้สองหลังอีกหลังสุดท้ายกำลังจะยกหลวงพ่อท่านนี้ท่านก็บอกว่าเอ้ยมากินข้าวกันก่อนเดีย๋ยวค่อยยกอุย้ยไม่ได้เพราให้เสร็จไปเลยก็ว่านั้นนะท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็นเดินยกกันจนคานหักก็ไม่ขึ้นเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะ นี่เป็นเรื่องแย่ไม่รู้เป็นความประสงค์ของใครอันนี้ไม่ทราบแต่ยกไม่ขึ้นกันจริงๆในที่ษฎดจริงๆต้องมากินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จก็ไปยกกันขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ยกสมไม่ขึ้นถ้าอนุรุท้าก็บอกว่าพวกเทวดาประสงค์ว่าเราจะกสการาเคารพนับถือบูชาพระสิริราชด้วยการพลรำขับร้องประโคมของหอมอันเป็นทิพยจับอันเชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระนครแล้วก็สู่ทางประตูทิศอุดร ก็คือไม่ไปทางทิศใต้อย่าไปทางทิศเหนือเชิญไปท่ามกลางพระนครออกจากประตูทิศบุรพาแล้วก็ถวายพระเพลิงของพระรูป a s a d a ที่มกุดพันธเจดีของพวกเจ้ามัลลทางทิศบุรพาแห่งพระนครของเจ้ามัลลขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของเทวดาพระนุตุทะก็บอกนะบอกเออขอให้ให้สงเป็นไปตามประสงค์ของเทวดานะทีนี้สมัยนั้นนะกรนะุงกุศินาราเนแต่ละดาดไปด้วย ด, วยดอกมณฑารลบนะสมัยนั้นนะนะ ดอกมณทารบนี่พวกเทวดาและเจ้ามัลากุสินราทำการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระบระมศพของพระพุทธเจ้าโดยการฟ้อนรำขับร้องประโคมด น, นตรีและดอกไม้ของหอมทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เตรียมการอันเชิญพระสรีระของพระพุทธเจ้าไปถวายพระเพอ ย, ยังมกุฏพันธนาเจดีตอนนี้ไปดูก็ตับลงมาเยอะนะสมัยก่อนมกุดพันธนาเจดีสูงเป็นภูเขาเนะต้องขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างภูเขาขึ้นไปอย่างเนี้ย สองพันกว่าปียุบลงเหลือแค่นั้นนะที่เราไปดูกันนั่นอะไรที่ถวายพระเพิมถ้าสมัยก่อนนะขึ้นไปอย่างภูเขาคิ ช, ชกูดอย่างนั้นนะสูงลักษณะอย่างนั้นจงึงจึงดาริว่าเราจะ บ, บูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องมหารลดานดคือตอนนั้นนางมาริกาภรรยาของพันธุลมหาเสนาบดีเหล่ามาลปาโมกกาลังอัญเชิญพระศรีระของพระภูมิภพระผ่านมาทางเรือนของนา ง, งานางก็ดําริว่าเราจับบูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องมหารลดาะ ปราศคิดดังนี้แล้วนางก็สั่งให้บริวารทําความสะอาดมหาดาปราศทให้ชําระด้วยน้ำหอมแล้วก็วางเตรียมไว้หน้าประตูเรือนเมื่อมลปาโมกอันเชิญพระสรีระของพระบรมศาสดาผ่านมาถึงประตูเรือนนางมาริกาก็กล่าวว่าขอท่านจงวางพระสรีระของพระเจ้าลงกรเราประสงค์จะบูชาพระบรมศาสดาด้วยเครื่องประดับนี้นางมาิกาวางมหาดาปสาศนั้น นางมานิกาก็วางมหาราดาปสาทนั้นทาบลงบนพระศรีร์ะของพระผู้มีพระภาคของพระองค์ตั้งแต่พระเศียรจนจดพระบาทพระศรีร์ะของพระองค์ซึ่งมีพระชีวีวันดุจทองเมื่อประดับด้วยมหาราดาประสารแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งนะนางมานิกาเห็นดังนั้นมีจิตผ่องใสตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคตราบใดที่ข้าพระองค์ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรตราบนั้น สรีระของข้าพระองค์จงเป็นเหมือนหนึ่งสวมใส่เครื่องประดับนี้อยู่เป็นนิดเถิดโหแต่คนมีความคิดต่อไปเวลาไปบูชาพระธาตุต้องหาอะไรบูชาให้ใหสว่างสว่างหน่อยนะไปที่ไหนให้คนมองกันเป็นคุกิโลกิโลเอาอะไรดีอย่งอางผ้าเนี่ยผ้าสวยๆถักเย็บให้ดีๆมันละป่าโมก็ยกสรีระของพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยเครื่องประดับมหาลดาปราสาสตออกทางประตูที่ตะวันออก วางสรีระของพระผู้ภิากษ์นะมะกุูดพันธะเจดีย์ทางเบื้องทิศตะวันออกของวนลกรพวกเจ้ามันละได้ถามพระอนุนว่าพวกข้าพระเจ้าจะพึงปฏิบัติต่อศรีระของพระพุธาธิษฐาคตเช่นไรพระอนุนก็กล่าวว่าพวกท่านพึงปฏิบัติต่อสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่ปฏิบัติตรีระพระเจ้าจักรพรรดิเช่นั้นพวกเจ้ามันละก็ถามว่าก็เขาปฏิบัติศรีระของพระเจ้าจากาักรพรรดิกันเช่นไร เนี่มาถามวพราพระนรนจําได้ใช่ไหม่พรถามพระเจ้าก่อนพระนรนก็ตอบว่าเขาจะห่อพระสรีระกของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสําลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่ด้วยอุบายอย่างเนี้ยสรีระกของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยผืนคือใช้ผ้าห่อสำลีซับผ้าห่อสำลีผ้าเนี้ยห่ออย่างห้าร้อยผืนเชิญสรีระลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ํามันหอมครอบด้วยรางทองอื่นแล้วก็สร้างจิตรการทานด้วยไม้หอมทุกชนิด ถวายพระเพลิงศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปพระเจ้าจักรพรรดิไว้ทางสีแง่แ่งเขาปฏิบัติในศรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยอาการอย่างนี้พวกท่านพึงปฏิบัติในศรีระของพระพถาคตเหมือนที่ปฏิบัติศริระของพระเจ้าจักรพรรดิเ ช, ชน่นเดียวกันสร้างสถูปพระตถาคตไว้ในทางสีแง่แ่งชนเหล่าใดจักบูชาด้วยดอกไม้ของหอมจักทําการอภิวาทหรือจักยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นแล้วเนี่ยเขานั้นจับเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาละนาน พวกเจ้ามรักษ์กษัตริย์เน่ยนะจึงรับสั่งกับราชบุรุษบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเตรียมสำรีและผ้าไว้ให้พร้อมพวกเจ้ามลรักษ์ได้หอ่อพระสิริลักของพระพุทธเจ้าด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำรีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่ด้วยอุบายห่อพระสริลักของพระผู้ไว้ภาคด้วยผ้าห้าร้อยผืนแล้วก็อัญเชิญลงในลางทองอันเต็มด้วยน้ํามันหอมครอบด้วยลางทองอื่นก็สร้างจิตรการานด้วยไมห้หอมทุกชนิดแล้วก็อัญเชิญพระสิรีรักของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ จิตกาทานนี่เป็นอย่างนี้เขาก็ทําทําในลักษณะอย่างนี้นะ้วดูในอัตถกถาในช่วงนี้ก่อนอัตถกถาท่านบอกว่าอัฏฐะมลลปาโมกเนี่ยคือพวกเจ้ามัละเนี่ยรุ่นมัดชิ ม, มวัยอันสมบูรณ์ด้วยเรี้ยวแรงเขาเรียกว่ามัลลปาโมกคือคนที่กําลังเป็นหนุ่มที่กําลังแข็งแรงเจ็ดไแปดคนเนี่ยนะที่มายกสรีแล้ว พระเถระพระนุลุทธาผู้เดียวปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีทิฏฐิจักสุเพราะฉะนั้นเจ้าบรรดาเหล่านั้นจึงเรียนถามพระเถระด้วยประสงค์ว่าพระนุลุทธะนี้จะบอกแก่พวกเราให้ชัดเจนก็ถามว่าเถระบอกว่ามีทิฏฐิจักสุอยู่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระอรหันต์ที่มีอภิญญาเหล่านี้มีเยอะแยะหมดหลังจากพาระเถระปฏิพานแล้วเนี่ยเขาไปถามว่าอยากรู้อะไรก็ไปถามทุกวันนี้ถ้าไปถามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวภาคโก <laughs> ถ้าไม่มี <c oughs> ใช่ไม่มถ้าไม่มีตรงนี้พระองค์อาจจะมีนะคําว่าเจดีของพวกเจ้ามาลัลลชื่ออมากุฎพันธนานั้นเป็นชื่อของศาลามงคลเป็นที่ตั้งของพระองค์พวกเจ้ามัลลศาล า, านี้ท่านเรียกว่าเจดีคือสร้างไว้อย่างงดงามทิเพย์หิจามานุสเกหิจานะเจหิเป็นต้นเขาบอกการก้อนลำของเหล่าเทวดาเบื้องบนของเรามนุษย์ณนะเบื้องล่างในการขับร้องเป็นต้นกั็ในเนี้เทวดาก็มี คือเทวดาแล้วมนุษย์จะพากันบูชาโดยการขับร้องคือข้างบนบนบนสวรรค์เนี่ยนะเทวดาก็ประคมขับร้องข้างล่างมนุษย์ก็เล่นกันสรุปแล้วก็คือว่าขับร้องประคมดนตรีกันเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่แบบสนุกสนานล่าเริงนะเป็นไปแบบเป็นไปกับคําสอนเมื่อศรีละของพระเจ้าถูกนํามาอย่างนี้ภรรยาของพันธุระเสนาวดีชื่อมาริกาเนี่ยนําศรีละของพระตถาคตมาก็คิดว่าจับ เอาเครื่องประดับชื่อมหารลดาประสาทเช่นเดียวกับเครื่องประดับของนางวิสาขาเก็บไว้ใช่สอยแต่ตั้งแต่สามีตายไปจักบูชาพระตถาคตด้วยมหาลดาประสาทนี้คือนางในสามีข้างนางในตายเนี่ยไปรบแล้วก็ถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยอสั่งให้ฆ่าท่าตายทั้งพร้อมทั้งลูกนางก็ศรัทธาก็เอานี่มาถวายทําความสะอาดมหาลดาประสาทนั้นชําระด้วยของหอม วางไว้ใกล้ประตูเครื่องประดับที่เรือนของสตรีนะแล้วก็วางทาบลงในสรีระของพุทธเจ้าคือสวมเครื่องประดับให้กับพุทธเจ้าวางนั้นเถอะเขาวางท้าบเขาบูชาด้วยรัตนากิจประการนางมาริกาเห็นดังนั้นก็มีจิตผ่องใสต่าถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จากโปดแล่นอยู่ในวัดแต่สงสารตราบใดตราบนั้นกิดเครื่องประดับจงอย่าแยกจากข้าพระองค์ บอกว่าโอ้กเกิดในชาติใดก็แล้วแต่ก็มีเครื่องประดับลักษณะอย่างเนี้ยให้มีความงดงามบุคคลเหล่านี้ยไปเกิดในชาติไหนอย่างมากครับใดมากก็เป็นระดับมอเิสีหรือเป็นจั ก, กรพัินีอย่างนเนี้ยเนี่ยระดับสูงเลยมีเครื่องประดับเต็มไปหมดนี่เป็นผลนะเป็นผลเล็กๆใน น, อน้อยตอรีล่าจงเป็นเช่นเดียวกับเครื่องประดับ ครั้งนั้นพวกมันละก็ยกพระศพของพระผู้มีพภาคเจ้าที่ทาด้วยรัตนะเป็นต้นเหล่านั้นไปทางทิศบทรภาดังที่ได้กล่าวทีนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระมาหากรศพสมัยนั้นเนี่ยนะพระมาหากรสปาพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเดินทางจากเมืองปาวาสู่กุสินาราลำดับนั้นน่ะท่านพระมาหากรศพแวะออกข้างทางพักที่โคนต้นไม้ สมัยนั้นอาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินราเดินทางมาไกลา ม, ามาจากเมืองปาวาเนี่นะท่านพระมหากรสบได้เห็นอาชีวกเหล่านั้นมาแต่ไกลก็ถามว่าอย่าเลยผู้มีอายุท่านทราบข่าวว่าบรมศาสดาของเราบ้างไหมถามขา่าวพระพุทธเจ้าอาชีวกก็ตอบว่าเราทราบอยู่วันนี้พระพระสมณโคโดมไปนิพพานได้เจ็ดวันแล้วนี้ดอกมณฑารบเราก็ถือมาแต่ที่นั่นบรรดาภิกษุพอได้ฟัง ว่าพระบรมศา ส, สดาในปรินิพานเนะี่ยพิกษุที่ยังไม่ปราศจากราคะดิเนี่ยร้องไห้แต่ภิกษุที่ปราศจากราคะก็ยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อนั้นจะหาได้ในสังขารแต่ที่ไหนในสมัยนั้นมีพิกษุผู้บวชเมื่อแก่ชื่อสุพัทธ์วุฒาบันมชิตกล่าวกับพิสูุทั้งหลายว่ายาเลยผู้มีอายุ ท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรไปเลยเราพ้นดีแล้วโดยว่าพระสมณะนั้นเบียดเบียนพวกเราอยู่นีมีเลยนะขนาพระเจ้าบริสุทธิพานแค่เจ็ดวันนี่นะสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใดก็จะกระทําสิ่งนั้นไม่ปรารถนาสิ่งใดก็จักไม่กระทําสิ่งนั้นพระพุทธเจร้องไห้ทําไมเล่าก็ว่ากงั้นนะพระพุทธเจ้านริสุทธิ์พานดีแล้วต่อไปจะได้ไม่มีคนมาบัญญตัติเรื่องยุ่มยิ้มเล็กๆ น, น้อยๆปวดหัวเนี่ยนะ นี่คิดอย่างตัวว่าเต้าวุฒาวันประเทศเนี่ยลำดับนั้นพระหมหากัตศพเนี่ยเตือนภิกษุทั้งหลายว่าได้ยิงก็สลดใจเลยว่าพวกเธออย่าเศร้าโศกร่ําไรไปเลยพระผู้มีภาคเจ้าตรัสสอนอย่างนี้ว่าไม่ใช่หรือว่าความเป็นไปต่างๆความพัดคลาดความเป็นอย่างอื่นต้องมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วมีปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วเนี่ยมีการดับมีการทรําลายไปเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทําลายไปเลยเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้คําว่าปาปายากุสินารังเนี่ยเขาบอท่านพระมหากรสปาเนี่ยเดินทางด้วยหมายใจว่าจะเที่ยวไปบินทบาทในนคนปรปาวะแล้วก็จะไปนครกุสินาราเนีทีนี้ในคําว่านั่งนักโคนต้นไม้เนี่ยท่านไม่กล่าวว่าพักกลางวันต่อว่าเพราะท่านไม่ได้นั่งเพื่อต้องการจะพักกลางวันความจริงภิกษุบริวารของพระเถระล้วนแต่ จำเริญสุกมีบุญมากท่านเดินทางด้วยเท้าบนแผ่นดินที่เหมือนแผ่นหินอันร้อนในเวลาเที่ยงทากันลำบากพระเทล่าเห็นภิกษุเหล่านั้นก็คิดว่าภิกษุทั้งหลายพากันลำบากตอนเย็นจึงค่อยเดินไปที่กุสินาลาเฝ้าพระพุทธองค์ก็แวะออกจากทางปูราสังคาติพ้าสมัยก่อนก็เดินทางห้าร้อยลูปเนี่ยเนี่ยนี่มันพระมหากระสอบท่านท่านเดินเห็นว่าอากาศร้อนก็หลบ แล้วก็อาน้ําจากคันโทรูรปมือรูปเท้าให้เย็นแล้วก็นั่งลงเหล่าภิกษุบริวารของท่านก็นั่งนโคนไม้ใช้โยนิโสมนาศิการมนาศิการกรรมฐ า, านต่างคนต่างนิ่งห้ารอยรูปเหมือนไม่มีไม่มีพระมีอยู่รูปนั่งสารเสริญพุทธคุณด้วยอะไรด้วยบางองค์ก็เจริญพุทธคุณกันบางคนก็เจริญธรรมคุณสังฆคุณก็มีความสุขอาชีวกเนี่ยเอาไม้เสียบดอกมณฑารกขนาดใหญ่ถือมาพระเทละเห็นอาชีวกเดินมาแต่ไกลก็คิด ว่าดอกมณฑารพไม่ปรากฏในถิ่นมนุษย์จะมีก็อยู่ในผู้มีฤทธิ์ต่อเมื่อพระศัพท์พันโยโคทิสัตเสด็จลงสู่ครันเป็นต้นแต่วันนี้ผู้มีฤทธิ์ท่านใดก็ไม่มีได้สักดงฤทธิ์พระศา ส, สดาของเราไม่ได้สเสด็จลงสู่พระครันไม่ได้สเสด็จออกจากพระคันวันนี้พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ประกาศธรรมจักไม่ได้แสดงยะมะกัปปติหารไม่ได้สเสด็จลงจากเทวโลกแล้วก็ไม่ได้ทรงปรองพระชนมา ย, ยุสังขาร พระศาสดาของเราทรงชลาจาักปรินิพานเป็นแน่แล้วรู้ทันทีเลยคือท่านแค่คิดนี่นะท่านบอกว่า อ, อดอกมันทารบเนี่ยผู้มีฤทธิ์เท่านั้นที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้ออดอกมุนทารบเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าลงสู่ครันออกจากครันใช่ไมตัดตรู้แสดงธรรมจักรหรือว่าแสดงยม ก, กับปฏิหารปรงพระชนมยุสังขารนีออ่ไม่ใช่าการเหล่านี้มีหมดแล้วเนี่ย คิดออกเลยโอ้พรนิพานเนี่ยแค่นี้ยระรินิพา น, แ, น, พนพาแต่ท่านก็ถามท่านก็เลยถามบอกว่าเราจาักถามแล้วคิดว่าถ้าเรานั่งถามก็จะเป็นการกระทำที่ไม่เคารพพระศาสดาเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเออพระมหากรสเนี่ยถ้าจะนั่งถามเนี่ยเชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ห่ผมผ้าบางสกุลสีเมฆสีเมฆตอนอารุณขึ้นน ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ปันหนึ่งพญาช้างฉัดทันลีกออกอยากที่ยืนคุมหนังแก้วมณีเช่นั้นยกอัญเชลีอันรุ่งเรืองด้วยทัศนค่ะ ส, ะะสโมโอทานก็คือยกมือทั้งสิบขึ้นมาลักษณะนังผินหน้าตรงอาชีวกด้วยคราวะที่ทําให้ทําในพระศาสดาถามว่าผู้มีอายุท่านทราบข่าวพระศาสดาของเราบา้างไหเขาล้พระพุทธเจ้าพอพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ปนมปนมือปนมมือ ถามว่าท่านมาหากรศพบเนี่ยรู้หรือไม่รู้ว่าการปรินิพานของพระศาสดาทำไมยังถามตอบว่ารู้เพราะการปรินิพานของพระโรมศาสดาได้กําหนดไว้ชัดเจนเลยนิมิตทั้งหลายมีการไหวของหมื่นโลกาธาตุเป็นต้นแม้รู้อยู่แต่พระเถระก็ถามเพื่อให้เกิดสติแก่ภิกษุทั้งหลายได้คิดว่าในบริษัทของภิกษุบางคนเคยเห็นพระตถาคตบางคนไม่เคยเห็นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเคยเห็นแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ยังอยากจะเห็นภิกษุเราใดไม่เคยเห็นก็อยากจะเห็น พอทราบว่าปณิธานเสียแล้วก็ไม่อาจดำรงตัวอยู่ได้ทิ้งบาดีวรนนุ่งผ้าผืนเดียวบ้างทุบอกร้องไห้เป็นต้นบ้างการที่พระเถระให้ใบวานรู้ก่อนเป็นผลดีเพราะจะได้ไม่ร้องไห้เศร้าโศกมหาชนเห็นแล้วดูถูกจะดูถูกครับก็บอกว่าเออให้ร้องไห้กันตรงนี้เสียใช่ไหมก่อนที่จะไปร้องไห้ต่อหน้าพระพักทําให้ประชาชนเขาดูถูกเช่นว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นบุญชนเนี่ยถ้าไปเห็น พ, พระเจ้าปณิธาน เกิดมาใช่ไหมเกิดในยุคนั้นแต่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยอย่างเงี้ยมาเป็นลูกศิษย์ของพระมหากรสบเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไดเข้าเฝ้าเลยเนี่ยทิ้งบาททิ้งยีวใช่ไหมเหลือแต่สะบองร้องไห้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ดูชนได้ยินมาว่าสุภัทธาเนี่ยนะก็พากันเศร้าโศกทีนี้ในกลุ่มเหล่านั้นนะสุภัทธาเนี่ยเป็นชื่อของภิกษุแต่เมื่อภิกษุบวชเมื่อเวลาเป็นคนแก่ท่านเรียกวุ ธ, ธาบัญปชิตถามว่าทําไม สุภัสท่ถึงกล่าวลักษณะอย่างนั้นสุภัสท่านี่ตําหนิพระพุทธเจ้าคืออาคาตเนี่ยได้ยินมาว่าสุภัสท่าภิกษุเนี่ยเคยเป็นช่างตัดผมในเมืองมาอาตุ ม, มานาคร ท, ท, ที่ในขัในพระวินัยท่านกล่าวไว้ท่านบวตอนแก่นะคือพระพุทธยาพาเสด็จจากกรุงกุศินราไปยังอตุ ม, มานาครพร้อมด้วยภิกษุสองรอยห้าสิบรูปคิดว่าจยากทำยาคูถวายคือว่าท่านก็คิดดีอยากทําบุญเนี่ย ท่านก็เรียกบุตรสองคนซึ่งกำลังเตรียมตัวเป็นสัมมนเนรเอาบุตรสองคนมาแจ้งต่มีลูกอะนะถึงความต้องการว่ายาคูถวายสั่งบุตรว่าจงถือเครื่องมือโกนพร้อมทั้งกับธนานและถังไปทุกบ้านรวบรวมเอาเกลือเอาน้ำมันเอาเข้าวสารเอาของเคี้ยวเอาเข้าวยาคูเอามาคือไปขอบริจาคจากชาวบ้านนะไปประกาศนะ่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาจะเอาอาหารนี้ไปทาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ย คนเห็นเด็กสองคนมีเสียงไพเราะมีไหวพริบดีก็ยอมให้สิ่งที่เด็กต้องการขนไปไม่หมดก็ให้คนช่วยกันขนขนอย่างเป็นการใหญ่เลยคันพระพุทธเจ้าเสด็จมายังอตุมานาครเนี่ยสุภาาัททะกิุเข้าไปยังโรงกลานข้าวตกเย็นก็ไปยังประตูบ้านเรียกผู้คนมากล่าวว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้รับอะไรอย่างอื่นจากท่านทั้งหลายข้าวสารเป็นต้นเหล่านี้ ที่เด็กของข้าพเจ้านํามาเพียงพอแก่สงแล้วขอพวกท่านจงให้งานผีมือเกิดคือจงช่วยกันทำํำอ่ะจะทําอย่างไรสุพัททะก็สั่งให้พวกเขาถือสิ่งของต่างๆช่วยกันสร้างเตาไฟบ้างหุงต้มบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ทํากันตลอดทั้งคืนสลับซับแสนหนึ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเหมือนเป็นงานใหญ่เลยเหมือนจะถูกนัทําแบบนี้เห็นไหมขั้นเวลาเช้าตู่พระพุทธเจ้าปฏิบัติสัระกิจ เจอสลีลกิจแล้วเนี่ยพิสุสงฆ์ก็แวดล้อมบ่ายหน้าไปยังอตุมานครเที่ยวบินะบักผู้คนทั้งหลายก็บอกแกสุภัทธาพิสุว่าสุภัทธาพิสุนุ่งหอมผ้าคาสาวพัดดำเอามือข้างหนึ่งจับทัพพีแล้วก็กระบวย y เนี่ยนะคุกเข่าข้างขวาลงที่พื้นถวายบังคมทูลบอกว่าขอให้พระพุพาคเจ้าโปรดรับข้าวยาคู ข, ของข้าพระองค์ได้เถิดล้ำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามแล้ว ทรงฟังคํานั้นแล้วทรงตีเตียนสุพัทธ์บรรพชิตในเรื่องนั้นกับทรงบัญญัติสิกขาบทคือว่าโดยการชักชวนในสิ่งนันเป็นอากกาพิยาและสิกขาบทว่าด้วยการรักษาเครื่องมีดโกนโดยในมาในขันตะาาว่าต่ถาคตแม้ทรงทราบก็ทรงถามเรื่องนี้เป็นต้นแล้วตัดว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้แสวงหาโภชนะล่วงไปถึงหลายโกรธกับพวกเธอบริโภคโภชนะที่เป็นอากกพิยาของพวกเธอ อันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบทำจะต้องไปบังเกิดในอบายทั้งหลายแล้วหลายแสนอัตภาพจงหลีกไปอย่ามาหยุดยืดดังนี้แล้วได้เสด็จบ่ายประพักไปก็บอกว่าถ้าใครรับไปฉันอาหารสุพภธาบริพาชคครั้งนี้อาจจะลงนรกกันหมดเลยเพราะว่าเป็นอาหารที่ได้มาโดยไม่ชอบทำได้มาโดยอากาศิยะพระไม่ควรไปทําด้วยตนเองก็จะใจใช่ไหมพระไปหงุดหงิเองไปทําเองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปชักชวนมาก็ไปเป็นพ่อครัวเองเนี่ย แล้วมาทํากินเงี้ยอันนี้เป็นอากาปิยะฉันไปจะเป็นอาบัตทุกคำเกินฉะนั้นท่านบอกเธอฉันอาหารตรงนี้แล้วจะลงไปในไบโยภูมิทุกคนไม่มีใครรับเลยเดินสบายสุภัตาเสียใจผูกอาฆาตเลยบอกว่าพระองค์คิดว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ประสงค์จะรับทําไมไม่สั่งคนมาบอกว่างั้นนะเออทําไมมันมันคล้ายๆว่าไม่เห็นแก่นหน้าเราเลยใช่ไหม ถ้าไม่รับก็น่าจะสั่งคนมาบอกยิตอไม้ประกาศตอหน้าคนนังเยอะแยะเงี้ยเหมือนฉีกหน้านะเนี่ยเลยอาฆาตเลยเลยอาฆาตเลยพอมาถึงในวันนี้ก็เลยบอกว่าดีแล้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จตับขันทบริณพั น, น์น ไ, ดได้จะได้จะได้ไม่มาบัญญัติอะไรให้ให้นหนึบหนึอที่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นอันนี้วันนี้ก็สมควรเกี่ยวเวลานี้ใครจะถามเลยมนะั้ย